ตอนอบลมคอสนาวมินครั้งที่2ระหว่างวันที่ 20-22 ถึงมกราคม2560ตอนที่7ก็ทุกคนหรูอเขาก็หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะส่งตัวแทนถวายเงินที่เราร่วมกันก็คือคนมีมากก็ให้มากคนมีน้อยไม่ต้องให้ก็ได้คะ่ะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะรักษาในสิ่งสิ่งที่คิดว่ามันช่วยชีวิต ให้เราได้รู้สึกลงทุกได้นะคะแล้วก็ดํารงที่นี่ก็คือชมรมชีวิตฟิตเนสให้เป็นโอเอซิสของคนกรุงเทพ น, นะคะช่วยรักษาเสียง น, นี้เอาไว้นะคะลราขอตัวแทนนะคะคือพิบัตินะคะคุณสิริรตนเอกงนะคะเป็นตัวแทนถวายพระ บ, บาทให้กับพ่อครูนะคะเป็นกองทุนของชมรมชีวิตฟิตเนสเรานะคะคาริยเชิญค่ะบัตยกขึ้นหรือเปล่า สาธุค่ะสามครั้งนะคะเดี๋ยวได้ดูได้ครบค่ะเชิญพ่อครูกก่าวค่ะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่รับตู้พ้าป่าไม่ใช่ต้นพ้าป่ายุคสมัยมันเปลี่ยนเนาะเราไม่ต้องไปถือสากรรมชี้เจตนา นะอยู่ที่เจตนาถ้าทำ ส, สวยๆงามๆแต่ว่าจิตใจขุนหมองอะไรเนี่ยก็ไม่ได้บุญอะไรนะเราทําแบบไหนก็ได้ที่มันง่ายๆแต่ว่าทําด้วยความบริสุทธิ์ใจบุญคือเบาบาปคือหนักนะบุญคือเบาทําแล้วมันเบาอกเบาใจเนี่ยได้ทันทีไม่ใช่ไปรอชาติหน้าหรือรอวันหลังนะ เ, เราเราใช้สตัง์เนี่ยเราหามากว่าจะหาเงินได้กว่าจะเรียนจบ มีวิชาหาเงินได้ลําบากมากนะยังอุตส่าห์แบ่งเงินตัวนึงเนี่ยไปทําบุญนะไม่ใช่ทำ ง, ง่ายๆเห็นไหมการที่จะไปหานี่ยากมากนะก็ะตือรือรถบางทีเหงื่อไหลคลายย้อยนะแต่การเอาออกนี่ยากยิ่งกว่านะเพราะว่ากิเลสหรือ ว, ว่าความโลภความเป็นหนีเราไม่ยอมนะแล้วก็หนัก อ, อกหนักใจมีเท่าไหร่ยังหนัก อ, อกอยู่ว่ามองเนี่ยเขายาเขามีมากกว่าเรา ถึงว่าการให้ทานเป็นอุบายวิธีที่กําจัดความโลภความตันีคือสระดออกแต่ถ้าเราสละดออกปุ๊บเหมือนโยนเงิ น, นลงไปในน้ํามันดังตุ้มสมสมเด็จสมเร็จละบุญสําเร็จแล้ ว, แ, ลวแต่ถ้าเราโดดน้ําลงไปตามดูว่าเงินฉันไปไหนเนี่ยทำบุญตามบุญไม่ใช่บุญเป็นบาปนะทำบุญไปทําบุญที่วัด ร, ร้อยหนึ่งนะก็จบ แต่ถ้าว่าสาธุให้ถูกละวันที่หนึ่งอันนี้ค้ากำไรเกินควรนะทบุญตามบุญไม่ใช่บุญเป็นกิริยาในการทําบุญเฉยๆแต่จิตไม่เป็นกุศลเลยนะกุศลละบุญทำแล้วให้มันเบานี่คืออุบายในการขัดเกลาจิตให้ผ่อสใสอย่างหนึ่งมันมีโรคปวดลงการทําบุญโดยการให้ทานทาบุญทาทานบุญเกิดจากการให้ทานทานคือจาคะคือสลัดออก แต่ถ้าเราสนออกปุ๊บแล้วมีอาม i t รหวังว่าจะได้ผลตรงนั้นน่ะมันกลายเป็นบุญกิริยาเป็นกิริยาในการทำบุญแต่จิตไม่เป็นกุศลเลยนะเราทำบุญเนี่ยเบาปุ๊บคนอื่นไม่รู้ช่างเขานะบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาเรียกว่าสุญญาตาทานสุญญาตาทานทานซึ่งไม่มีผู้รับไม่มีผู้ให้นะบางคนมนี่ศรัทธาพระครูมากที่บอกว่าอามาสีมไทยเนี่ย เป็นสิทธิ์รุ่นหนึ่งเลยยี่สิบปดปีมาเมื่อไหร่ก็ทำบุญกับพรอครูกับพรอครูแต่บางครั้งไปเห็นเด็กๆชนบทคนจนกินแบบเขากินเยอะเพราะเขาไม่มีอาหารจะกินบางทีแกก็บ่นทีเล่นทีจริงบอกอาม่าเห็นไหมคืออันนี้ไม่ใช่สุญญาตาทานทำกับพรอครูดีใจแต่ถ้าทำกับคนอื่นไม่ดีใจมีผู้ให้มีผู้รับผู้ให้แหละ เออถ้าลูกฉันหลานฉันฉันให้ฉันดีใจนะคนอื่นฉันไม่ให้อันนี้ไม่ใช่บุญอันนี้เป็นกิเลสนะต้องฝึกนะฝึกให้โดยไม่มีเงื่อนไขให้ก็คือเหวี่ยงทิ้งโยนออกไปปุ๊บเนี่ยเราก็เบาอันนี้เรียกว่าสุญญาตาทานไม่มีผู้รับและผู้ให้ที่พ่อครูบอกพก่อครูมีลูกเป็นพั น, นเด็กเด็กเ7็กแปดร้อยคนอยู่ที่ศูนย์สองโรงเรียนนี่ชื่อว่าอะไรพ่อครูก็ไม่รู้ พ่อแม่เป็นใครก็ไม่รู้แล้วไม่ต้องรู้ด้วยเรามีหน้าที่ให้ทุกวันมีหน้าที่ให้ทุกวันนะอันนี้เรียกว่าสุญญาตาทานทุกวันนี้เขาก็ใช้อุบายว่าเนื่องจากว่าเราเป็นทุนนิยมเอ๊ะทำแล้วได้อะไรนะเขาก็เลยว่าเอ้าทําแล้วได้ไปขึ้นสวรรค์ชั้นโน้นชั้นนี้นะอันนั้นมีอามิตรล่ะอันนั้นไม่ใช่บุญเป็นกิริยาในการทําบุญแต่จิตไม่เป็นกุศลเลยอันนี้ต้องระวังนะถ้าไม่พร้อมนั่งอยู่เฉย ไม่ต้องทําก็เรื่องนี้เนี่ยถ้าวันนี้เป็นวันเรื่องเราทําบุญทําทานกันโดยเฉพาะไอ้บุญนี้เนี่ยไม่ใช่มาสร้างวัตถุนะเอามาสร้างคนเป็นการช่วยกันให้ทำบุทานแต่รักษาให้สิ่งแวดล้อมวัตถุตัวนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างทนสร้างคนนะเราเราให้วัตถุเงินปัจจัยคือวัตถุทานแต่วัตถุตรงนี้ไม่จบอยู่ที่แค่นี้ มันก็ดำเนินต่อไปคือสร้างคนนะได้ทั้งวัตถุทานธรรมาทานฟกครูเคยยกตัวอย่างบ่อยๆว่า อ, อ, อาจารย์ตักโมพระโพธิธรรมนะเป็นองค์ชายสามมาจากอินเดียเนะี่ยท่านบวชกับพิกษุนีทนะ่านไม่ได้บวชกับพระ น, นะนะอาจารย์ท่านก็ดำดีให้เดินทางมาทางเนี่ยในโซนแถวนี้ แล้วเป้าหมายคือประเทศจีนพอไปถึงประเทศจีนแล้วเนี่ยจกักรพรรดิปู่ก็นิมนต์ท่านเข้าไปในพระราชวังไปสนทนาธรรมจักรพรรดิปู่ถามท่านว่าเออท่านสร้างวัดร้อยกว่าวัดดูแลภิกษุสงฆ์เป็นหลายหลา ย, ลายพันรูปเอาคนพันคนมาแปลพระไตรปิฎกสร้างโรงเรียนสอนสาศาสนาจากักรพรรดิปู่ถามอาจารย์ตักมอว่าท่านได้อะไร อาจารย์ตักมอว่าจากักรพัฒน์เนี่ยไม่ได้อะไรเลยเตรียมตัวตกตะลกชัดเจนจกักรพัฒน์โกรธมากแต่ว่าบรารมีของออพระโพธิธรรมนั่นท่านด่มากนะเกรงบรารมีท่านพอมีสติก็ถามดีๆว่าข้าทําความดีครูบาอาจารย์คนไหนก็สอนที้เขาทําความดีเนี่ยแต่ตกตะลกได้อย่างไรนะอาจารย์ตักมอบอกว่า ท่านทําบุญยังมาถามว่าท่านได้อะไรใช่ไหมมีอามิตรทําเพื่อให้เขาแท้สองสรรเสริญนี่เป็นกิเลสเนีน่ยดูสิทำบุญขนาดยิ่งตกนรกชั้นเจ็บเพราะเราทําด้วยความอยากไอ้ตัวอยากทําชั่วกับอยากทําดีนี่สเปซี่เดียวกันเราไปเพิ่มความอยากเราเนี่ยนี่ตกนรกชั้นเจ็บที่บอกว่าการทําบุญเนี่ยต้องระวังทําด้วยจิตบริสุทธ์นะ ถ้าเราตามบุญว่าข้อให้เข้าแท้ซองบางทีไปทําบุญแล้วเฮ้นั่งรอตั้งสามชั่วโมงแล้วไม่ประกาศชื่อสักทีหนึ่งไอ้บุญทางเมื่อกี้นี่หายไปหมดเลยนะอันนี้อันตรายมากนะเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้จิตบันทึกเต็มเต็มเลยทําบุญก็ให้มันเบาให้มันบุญให้มันได้เลยได้เบาไงแต่ตอนนี้เรามีอามิ t h ตลอดนะเออที่ไหนดีที่ไหนดัง ไ, ไปไปทำ บ, บุญแล้วก็ขอนู่นขอนี่ นะฮะโดยเฉพาะการไหวาพ้พระพุทธรูปเนี่ยพระอิฐพรนะปูนนะที่ศูนย์ก็มีเรากล่าวไหว้อย่างพระฉายาลักษณ์ของในหลวงเนี่ยลายชินีเนี่ยเห็นไหมเรากล่าวไหว้เพื่อนัลึกถึงพระองค์เรากล่าวไหว้พระอิฐพระูนพระพุทธรูปเนี่ยเพื่อนัลึกถึงพระพุทธเจ้านะแต่ถ้าเราไหะะนะว้ในฐานะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข อ, อนวัตถุนี่เนี่ยเราเข้าใจพระองค์ผิดหรือพระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ พระองค์ยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้ทุกวันนี้พระคูอยู่บนเนี่ยหองมากรุงเทพชั่วโมงหนึ่งถึงแล้วเห็นไหมแก้วที่ใช้มือโทรศัพท์นี่ฮัลโหลฮัลโหลอเมริกาโทรมาหูทิฟแล้วเห็นไหมญี่ปุ่นแสดงละครดูในโทรทัศน์นี่ตาทิฟแล้วนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิตาลีปฏิหารไม่ได้ทําให้เราพ้นทุกข์แต่คําสอนพระรู้เจ้าเนี่ยทำให้เราพ้นทุกข์ได้พระองค์จึงไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ยิ่งกก่สสิิงศัด ถ้าใครกราบ ว, ว่าในี่ยฐานะจริงแล้วขอโนอนขอนี่เราเพิ่มกิเลส น, นะที่เรากล่าวว่ายปฐุปเพื่อแล้ลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ห่างไกลจากกิเลสเราไหว้เพื่อเราลึกถึงพระองค์แล้วเรามุ่งมั่นศรัทธานะเดินทางตามรอยพระบาท น, นะชาตินี้เราเจอคําสอนพระเจ้าแล้วเราเป็นคนไทยนี่ยิ่งใหญ่มากนะ เมื่อกี้หมอโจงมาลาพ่อครูมากาบขอขมาลาโทษกันไม่เคยทำอะไรพรอครูแต่เพีแต่ว่าเขาจะลาไปบวชที่เนปาลวันที่สิบสองเดือนหน้าแก้วจึงได้ยินปุ๊บไปด้วยไปด้วยก็อบอกว่ามันน่าจะเต็มหรือเปล่านะคือท่านอะไรนะดิมโปเชนะ่สังฆราชของทางทิเบตเขาเนี่ย ท่านจัดพิธีบวชให้ในหลวงเราท่านบอกว่าถึงเวลาแล้วบวชให้พระมหาโพธิสัตว์นะต่างประเทศเขายัางเนี่ยนพวกเรานี่บุญเยอะมากนะได้เจอคำสอนบู้าแล้วและมาเจอพระมหาโพธิสัตว์คือในหลวงของเราเนี่ท่านชี้ทางให้เราตลอดไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะสิ่งที่ท่านเปบอกมาเจสิปีเนี่ยมันเป็นธรรมะมันเป็นคุณธรรมทั้งหมดบางทีเราชลาใจบางทีเราชลาใจนะ เหมือนใกล้เกลือกินดานะเราไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินพุทธเจา้าไม่ค่อยได้ยินในหลวงเราได้ยินวัตถุนิยมเราได้ยินทุนนิยมเราให้น้ำหนักทุนนิยมมากเกินไปไม่ใช่ไม่ดีนะทุกคนต้องอยู่ต้องกินต้องมีอาชีพนะแต่ว่าไม่ใช่เทให้มันหมดเลยนะก็ต้องมีเศรษฐกิจก่อนค่อยจะลงชีวิตไดนะ้ในหลวงก็เลยชี้ถ้าเศรษฐกิจก็เศรษฐกิจพอเพียงได้ไหม ตอนนี้มันมันมันโหลดไปหรือเปล่าโหลดจนร่างกายเราสุดโทรมไหมนะบางคนบอกโอ้ยุคนี้ยุคสี่วิลายกูบอกไม่ใช่ยุคนี้เป็นยุคที่ตกต่ําที่สุดหลังจากมีโรคใบนี้มาของมนุมนุษยียชาติคนล้นลงพักคนล้นคุกคนล้นโรงพยาบาลถ้ายุคสีว่วลายจริงๆต้องไม่มีคนติดคุกต้องไม่มีคนเป็นไข้ เนื่องจากเราจเจริญทางวัตถุมากๆเนะี่ยชีวิตเราเครียดมากอยู่เฉยๆก็ไม่ไม่ได้ก็ต้องแข่งขันกันก่อนต้องดิ้นรนก่อนค่อยอยู่ได้เห็นสุดท้ายก็หาเงินมารักษาโรคนะถ้าพวกเราไม่ระวังเนี่ยนะเราจะเสียเวลาตลอดชีวิตนะอุย้ยเงินหาเงินยากลำบากเลยยังมาทำบุญทำไมมาทาบุญทาไมถ้ามีนะ่รีบทำเถอะแต่ถ้าไม่มีอย่าฝืนทำนะเป็นบาปด้วย แบบว่าไปเบียดเบียนตัวเองก็เป็นบาปนะนะมันเป็นอุบายวิธีในการกําจัดความโลภความตณีถ้าความโลภความตณีมันอ่อนลงเนี่ยการการทยานอยากมันก็อ่อนลงการสร้างกรรมก็อ่อนลงบางทีเราอยากจนเราโกหกเขาก็ได้เราโกงเขาก็ได้เราไปขโมยก็ได้เราทําก็ได้เพราะมันอยากจะสร้างกรรมแล้วก็สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมนั้นก็ตา ม, ตา ม, ตามสนองนะมันมีจริงนะ เราทาสีขาวมันก็เป็นสีขาวเราทาสีดำมันจะแห้งน้วเป็นสีแดงไม่ได้คุณคือสิ่งที่คุณทำนะเมื่อวันนี้เป็นวันถือว่าเป็นวันดีแล้วก็เป็นครั้งแรกนะที่พ่อภู่มีโอกาสได้รับไอ้ไอ้กล่องพระป่ า, ปานะเรียกว่าอะไรนะตู้พระป่าไม่ใช่ต้นพระป่านะก็เป็นแค่สมมตินะขอให้อยู่ที่นัยยะเนื้อหาที่เราทำอย่างนี้เพราะอะไรนะ ก็ครูทั้งว่าเปลี่ยนว่าเออที่ผ่านมาก็เจตนาดีละ่ะอยากลองทําดูว่าอยากให้ศูนย์นี้เป็นสากลถ้าระบบสมาชิกทุกคนดูแลได้เนี่ยเปิดทุกมุมเมืองเลยนะพวกคูเคยพูดเกิดหน้หารว่าหลายปีก่อนที่มันเปิดว่างวานนิดก่อนพวกคูต้องการเห็นสิ่งนี้เหมือนเซเว่นอีเลเว่นมันจําเป็นกว่าเซเวอีกถ้าไม่มีเซเว่นเราก็ไม่เป็นไรนะ ทุกยอมหญ้าที่มีมนุษย์เนี่ยต้องมีตรงนี้นะก็มีบางคนลบป่าพ่อคูแล้วยังไม่ออกแบบเลยนะว่านะเขาจะทําตู้ให้พ่อคูตู้หยอดเหรียญเลยเข้าไปก็เช็คแอนแดนอยู่เนี้ยนั้นแหละเลพราะมันเครียดมากไปตั้งอยู่มุมฟุบมุมเมืองเลยยังมีประโยชน์ต่อชีวิตนะดีกว่าไปซิ่งไปอย่างอื่นใช่ไหมล่ะเนี่ยแต่ว่าเพราะมันจําเป็นแล้วสําหรับคนยุคนี้เนื่องจากว่าวิถีชีวิตเราเราอยู่ตามลําพังเขาก็ไม่ให้เราอยู่นะ เราค้าขายไม่ยุ่งกับใครแต่คนเขาจะมายุ่งกับเราเราไม่คิดแข่งกับใครแต่เขาจะแข่งกับเราต่างคนต่างอยู่ก็ ก, ก, ก, ก็ไม่ไม่เป็นไรแต่มันไม่ได้นะต้องแข่งขันมนุษย์เราคําว่าแข่งขันเนี่ยมันก็เลยทําให้โลกใบนี้เละตุ่มเปะเลยธรรมดาโลกใบนี้เราต้องแบ่งมาเออพี่น้องกันหมดเอาโซนนี้เหมาะจะทําอะไรโซนนี้เหมาะจะทําอะไรตัวนี้ก่จะก็มาแลกเปลี่ยนสินค้า อันนี้เธอก็ผลิตรถยนต์เธอก็ผิดรถยนต์เธอก็ยี่ห้อเธอก็ยี่ห้อเออม า, มาแข่งกัน ฟ, ฟ, ฟ, ฟ, ฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟือนี่โลกใบนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเพราะเราคิดแบบแยกส่วนเห็นไหมถ้าเราทําเศรษฐกิจพอเพียงแบบในหลวงประทานให้เนี่ยโลกนี้จะมั่นคงกนะารแข่งขันยื้อแยง้งมันก็อ่อนลงไม่ต้องแข่งขันแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกอันนี้พูดให้ฟังเฉยเฉเราเปลี่ยนโลกไม่ได้นะ ต้องรอกฎแห่งกรรมมันจัดการนะรอมันระเบิดนะพอพูดตรงนี้มันแป๊บขึ้นมานะมีกลุ่มคุณหญิงหลายปีก่อน เ, นเข้าไปในสูตรวันแรกไปเขาบ่นเลยพามาได้ยังไงร้อนก็ร้อนเปื้อนก็เปื้อนนะพราะกูก็เห็นจริง ไ, งไม่ต้องพูดอะไรมากจับเบียรพอหมุนได้ปุ๊บไม่เป็นคุณหญิงแล้วอยเรียกคุณหญิงนะใช่ไหมลูกชายฟุตจัลลอเมริกาปริยาโท นะพอพวกเราดำนาอยู่ตอนนั้นก็ไปลุยเลยไม่เปื้อนนะไปลุยคนกับพวกพ่อคูนะนะบอกลูกฝุกนะลูกเป็นไงรู้ไหมปีนั้นเขากลัวปีสองพันเนี่ยคอมพิวเตอร์มันจะลวนมันจะเกิดวิกฤตถามพ่อ ก, กูว่าเชียงใหม่เป็นอะไรไหมเขามีที่อยู่นั้นพ่อ ก, กูบอกว่าไม่ใช่ไปเตรียมที่อยู่ต้องเตรียมเครื่องมืออยู่เดี๋ยวคนอื่นเขาตายหมดอ่ะเราจะเป็นบ้า นะรีบตายไว้ๆกับเขาดีกว่าอย่าไปอยู่ถ้าเรามีเครื่องมืออยู่เนี่ยถ้าเกิดมันล้างโลกหมดนะเราไม่ตายนี่นะนั่นแหะคือยุคสีวิไลยนั่นคือยุคพศิยานอยู่แบบสบงบเย็นไม่ต้องแข่งขันเห็นไ้มตอนนี้พูดให้ฟังเฉยๆว่าเราเปลี่ยนโลกไม่ได้รอกฎแห่งกรรมเขาจัดการตัวเขาเองนะที่พ่อูใช้ว่าร อ, อ, อระเบิดเพราะเกมนี้จบอละนะ นะถ้าเราดีไวไปประวัติศาสตร์โลกเนี่ยนะยุคล่าอนานิคมคนกลุ่มหนึงเชื่อว่าถ้ามีอนาณิคมเยอะๆเนี่ยเขาจะมั่นคงล่าไปล่ามาล่าไปล่ามาเพื่อเจ้าทรัพยากรเขาสุดท้ายก็เกิดแรงต้านนะไอเยียนนั้นก็ล่มสลายยกเลิกไปยุคค้าขายเสรีใครไข่ค้าค้าใครไข้ขายขายขายทุกอย่างที่ขวางหน้าเอามนุษย์มาเป็นสินค้าค้าท่า มนุษย์ไป่ใช่ชัตว์สิ่งของก็เกิดแรงต้านผู้ค้าก็ทุกผู้ถูกค้าก็ทุกไอเดียนั้นก็ล่มสลายอีมนุษย์ไม่รู้จริงหรอกลองถูกลองผิดและยุคเรานั่งอยู่ที่นี่นะอายุเท่าไหร่ก็ช่างเรารุ่นเดียวกันยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองผู้ชนะสงครามตั้งโจทย์โลกทุนนิยมแข่งขันเสรีโดยมีวัตถุเป็นตัวแข่งขันความสุขเกิดจากการบริโภคทุกคนถูกโฆษณาชวนเชื่อการเป็นบริโภคนิยม ผ่านมาแปดสิบปีเป็นยังไงมันเห็นภาพแล้วว่าความคิดแบบนี้แก้ปัญหามนุษยียชาติไม่ได้ยิ่งมายิ่งเหลื่อมลำ้ำยิ่งมาทรัพยากรของโลกยิ่งร่อยหรอนะจบละไอเยียนี้ไปไม่นอนอยู่ที่ว่ามันจะล้มยังไงมีสามวิธีนะอันนี้พูดมาตั้งสิบกว่าปีแล้วละ่ะที่จะล้มเกมนี้คือหนึ่งสงครามล้างนี้สงครามนิวเคลีย ฝีมือมนุษย์อีกสองภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากส่วนหนึ่งมนุษย์เราทำลายสิ่งแวดล้อมกว่าจะเป็นน้ำมันกี่ล้านปีเจาะขึ้นมาวันหนึ่งหลายล้านรレลเพื่อจะมาแลกเป็น GDP เป็นเงินมันก็เป็นโพงก็ถล่มหมดทุกคนกะเห็นสัมผัสด้วยตาเนือ้ออันที่สามเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยเกิดมันกาลังเกิดขึ้นแล้ว เ, ออเดี๋ยวอ e ีโบลาต่อไปอ e ีดอีแดงมันจะตามมาหมดเพราะ เราสร้างสารเคมีขยาะเคมเีในโลกนี้เยอะแยะมากนะมันเอาไม่อยู่ละมันถล่มตัวจนขนาดมีคนรนดับโลกนะมิสเตอร์อัลกอเนี่ยอดีตรองประธานาของอเมริกาเนี่ยลงทุนสร้างหนังอะไรๆอะไรเนี่ยปุกไม่ขึ้นนะว่าโลกมันร้อนเตือนสติปุกไม่ขึ้นเพราะเรากำลังจมปักอยู่กับ ความอยากของเราแล้วทําลายล้างกันต่อไปนะและคำว่าทุนนิยมไม่ได้ผิดแต่คําว่าแข่งขันเสรีเนี่ยการแข่งขันคือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกอดีตเขามีปัญญาว่าแข่งขันเพื่อพัฒนาคุณภาพนะแล้วก็ให้คุณภาพดีขึ้นแล้วราคามันต่ําลงผู้ริโภคได้ประโยชน์อันนี้ทุนนิยมเขาหลอกเราทําไปทํามาเนี่ยเขาต้องทเทคโนโลยีทําให้มันเร็วขึ้นแต่ต้องไม่ทน เพามันจะเปลี่ยนรุ่นใหม่มันไม่มได้ขายเขาไม่ได้ทเขาทํามาขายไม่ได้ทามาใช้นะนปุ๊บเปลี่ยนรุ่นใหม่อันนี้ก็กลายเป็นขยะขยาะขยะขย ะ, ขย ะ, ขยะล้นโลกสมัยพอ่อครูเด็กๆยังเคยนะหัดขี่จักรยานขยันขยันจักรยานรุ่นเก่าออกสูงเลยนะคนงานที่บ้านตอนนั้นนะ่ะเขาส่งข้าวสารกระสอบหนึ่งร้ยกิโลสองกระสอบใส่ได้ตอนนี้เอาจักรยานทุกวันนี้ไปใส่กระสอบหนึ่งมันก็งอเลย เขาพยายามกะปิดให้มันสวยๆแล้วก็แบบให้มันเก๋แต่ว่าไม่ทนหรอเขาจะได้ขายใหม่กลายเป็นว่ามนุษย์เราฟึ่งเฟ้อฟื้นเฟยใขยะรวนโลกในหลวงร้อยการดที่เก้าพวกองค์ก้าทนกระแสนะเพียงแต่ว่าทำแรงก็ไม่ได้นะพวกเราชราใจหลังจากท่านจากไปแล้วเนี่ยตอนนี้ทั่วโลกถึงตื่นขึ้นมานะสาพชาติเนี่ยบรรจุเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้าไปในเป็นส่วนหนึ่ง แต่าาชาวประเทศเขาเป็นเสือกระดาษพวกกูบอกนะทำอะไรไม่ได้หอกนะเขาถูกประเทศยักษ์ใหญ่ไม่กี่ประเทศหนึ่งคล้องกนะัแล้วคนพวกนี้เขาหยุดไม่ได้นะเหมือนว่าเขาขี่หลังเสือแล้วก็หยุดไม่ได้เดี๋ยวธรรมาชาติจะช่วยหยุดถ้ามนุษย์เราฉลาดดูว่าความคิดแบบนี้เนี่ย ไ, ไม่เศรษฐกิจมันล้มแล้วล้มอีกเมืองไทยก็เดี๋ยวต้มยำกุ้งอะไรอ เ, เมริกาก็ มีเกิดไทรสิทธ์แล้วแต่ละเทศเด็กก็ประเทศนั้นเด็กก็ประเทศเด็กก็ไปยุโรปเราเห็นอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเพราะว่าเราแก้งไม่เห็นเราไม่อยากหยุดมันไปไม่รอดแล้วถ้ารีบหยุดนะโลกนี้ยังอยู่ได้อีกยาวขึ้นแต่เขาหยุดไม่ได้เขาเปลี่ยนชีวิตไม่ได้อย่างท่านที่นั่งนิ่งเฉยๆ เ, เอออยู่ห้องแอร์เคยชินแล้วเนี่ยนะถ้าบางทีเป็นนอนอยู่ในป่าไม่มีห้องแอร์ด้วยแค่นี้เองเราก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วช่างมัน ตายเป็นตายเพราะยังไหนมันก็ตายอยู่แล้วฉันฉันเอาสุขไว้ก่อนตอนนี้คนทั่วโลกเป็นแบบนี้นะเพราะครูก็ชี้ให้ดูว่าพวกครูก็ลุยลุยเละมาแล้วนะลุยไปบังเอิญว่าธรรมธรรมชาติจัดส่งไปไปริมโลกโลกอย่างแจ่มแจ้งแล้วสุดท้ายมั น, ม, นมันอิ่มตัวมาตีกลับมาพวกคูเลยเห็นสองด้านนะส่วนบางทีพระภิกษุบ้านเราเนี่ยเขาเป็นคนภานนอกเขาบวชตั้งแต่เป็นเน่กก็ฝึกคนอบลงมา เห็นไหมเขาก็พูดตามภาษาทางศาสนานั่นแหละแต่เขาไม่มีประสบการณ์ทางโลกเขาไม่รู้ว่าคนทุกวันนี้ทุกเพราะอะไรนะทุกวันนี้พูดภาษาไทยยังต้องแปลเป็นไทยเลยนะอย่าว่าพูดภาษาบาลีมาแปลเป็นไทยแล้วทะเลาะกันที่พานเป็นอัตานัตตานะพูดไทยยังไม่รู้เรื่องเลยเลยจะไปพูดบาลีพูดภาษาอังกฤษอยู่ทุกตัวอย่างการศึกษาทุกวันนี้ บังคับเด็กตั้งแต่รูปานต้องเรียนภาษาอังกฤษเพราะกูเรียนไปทําไมภาษ า, ษาท่านนะไม่ใช่มันไม่ดีนะแต่คนบางคนต้องเรียนแต่ไม่ใช่คนทุกคนนะเขาให้เราเรียนภาษาอังกฤษทําไมไหมเขาจะสั่งเราได้ไงถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเนี่ยฝรั่งมันจะหลอกเราได้ไหมที่เราถูกหลอกเพราะเราลู้ภาษาอังกฤษนะแต่ไม่ใช่มันดีไม่ดีมันเป็นแค่ภาษาหนึ่งไม่ใช่เราเรียนภาษาอังกฤษแล้วเราเกิดทักษะ แล้วจะเกิดสำเร็จในชีวิตเพราะกูไม่เชื่อถ้าการรู้ภาษาอังกฤษสําเร็จในชีวิตนล้วเนี่นนประเทศอังกฤษต้องไม่มีกรร ม, มกรเห็นไหมพวกกูมีร้านอาหารหลายร้านที่อเมริกาไอคนพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเลยตําแหน่งมันคืออะไรไหมเทขยะ ก, กับรางถ้วยไนเพราะเราเป็นล้านไทยมันออกมาทํางานนอกร้านไม่ได้นะไม่ใช่ภาษาอังกฤษเก่งแล้วเราจะมีทักษะเราจะมีปัญญาเนี่ยเราเห่อตามเขามากเกินไป ญี่ปุ่นเขาเจริญขึ้นเพราะอะไรเห็นไหมขาประเทศเล็กๆเท่ากัมพันเนี่ยเห็นไหมเขาชาตินิยมเยอะมากพราะกูสมัยก่อนค้าขายจากประเทศไปซื้อของกระดาษเอาเงินไปให้เขานะแล้วพูดอังกฤษมันใส่ญี่ปุ่นมาเลยอยากคุยกับเขากูต้องเรียนภาษาเขาเขาไม่เห่อเลยบ้านเรานี่เห่อแล้วตอนนี้เอาละเห่อจีนหยิบวัานตลาดมันใหญ่เห็นไหมเป็นไปตามกระแสนะเราไม่เคยรักในความที่เราเป็นเลยนะ บ้านเราเนี่ความเป็นชาตินิยมไม่มีเลยไม่ใช่อุดมการณ์นะเป็นสัญชาติยานนะเราไม่พอใจในสิ่งที่เราเป็นนะนกกระจิบถ้ามันพอใจมันก็มีความสุขได้นะไม่พอใจจะไปเล่นเกมพยาย น, นีนี่แล้วก็แพ้เขาสี่นี่คือการศึกษามันล้มเหลวล้มเหลวจนตอนนี้การศึกษาแพ้ลาวแพ้เวียดนามด้วยนะเพราะเราขี้เห่อเราไม่มองชีวิตเป็นที่ตั้ง แล้มีแต่จะเรียนเก่งเก ๆ, ๆ, ๆนะเพื่อจะได้เงินมากแุ่สุดท้าย ก, าไากนะ็ไม่ได้มากนะไม่ได้มากครับไปแข่งกันเรื่องปริญญาไม่ใช่มันไม่ดีนะเรียนก็ต้องรู้จักกนำมาใช้ไม่ใช่เรียนแล้วไปทุกข์กับมันนะแล้วก็เอาไปใช้ในทางที่ไม่สร้างสรรค์เอาไปเป็นเครื่องมือในการห้ามหำกันบาปนะอย่างนั้นไม่ต้องเรียนไม่ต้องรู้อะไรดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องสร้างบาปนั่นแหะ ทำบุญให้มันเป็นบุญเนาะทำบุญแล้วเนี่ยยังหวังอามิสอยู่เนี่ยมันกลายเป็นบาปพางใจเพราะว่าเราทำเพื่อสนองตัณหาตัณหาคือที่มาของทุกข์เพราะ ค, คูบอกถึงเวลาแล้วนะเพราะกูก็จริงๆแล้วเนี่ยเพราก ค, คูอยู่ในป่านั้นยี่สบปีไม่เปิดเผยตัว พอออกมาบรรยาอยู่หปีเ้าก็ขอร้องให้ออกสือสาะมงกุลบมาดูธรรมก็ออกไปสังคมไทยเป็นยังไงรู้ไหมนะออกไปปุ๊บนี่มีทั้งดอกไม้ทั้งก้อนอิฐตามมาด้วยนะพวกกูไม่รับทั้งสองนะรู้เมื่อจะให้เราไม่มีเงื่อนไขก็ออกมามาบรรยายแบ่งปันมาเจอเขาในกีฬาสีในกรุงเทพหลายปีก่อนเล้นกะีฬาสีกันหึมฮึม สายนี้เชิญมาบรรยายสายนั้นบอกพวกมันอะสายนั้นไปบรรยายกับพวกมันอีกพรา ก, กูไม่จะพัวใครหรอกให้แก้วหยุดหยุดหุดหมอบัญชา ย, ยัางบอกว่าพรา ก, กูกําลังไปดีๆเลยเนี่ยพรา ก, กูหยุดนั่นแหละระวังนะดีเด่นดังดับ ด, ดีแค่พอดีถ้ามันจะเด่นมันจะดังแ ล, นะแล้วหยุดเราไม่ได้ทําเพื่ออะไรทนะั้งนั้นใะ่ไหมเมืองนอกเขาดีเด่นดังโด่งแล้วมันเตะโด่งเลยนะแต่ต้องไม่ได้นะ แต่บ้านเราดีเด่นดังเดี๋ยวดับเลยเลืยขาเก้าอี้กันเห็นไหมเพราะครูสัมผัสอารมณ์นั้นได้ครับพิจารว่าเออเมื่อเรารู้ว่าขึ้นมันแดงแล้วก็รู้จักหลงดีอยากจะิโทษสังคุลก็เป็นอย่างนี้แหละนะแล้วก็ดูหลงไปก่อนแต่ตอนนี้ออกมาอยู่แล้วนะนะนะเพราะว่าพวกครูหนีมาจากเมืองนอกอยู่อเมริกาเลือกชายแดนไทยลาวนะนะนะถ้าพบ้านก็คือหลังบ้านเลยล่ะปิดเลยล่ะ นแล้วไม่มีใครมาน ะ, นะคิดว่าสธสงบเย็นแค่ยี่สกว่าปีเนี่ยเขาไม่ให้พกคุณอยู่ตามลำพังมันเปิดประตูหลังบ้านเราเลย อ, อาเซียนช่องเม็ง <c oughs> บอกคุณหนีเสือไปจอรเจีไ <c oughs> แล้วจะหนีไปไหนล่ะไม่หนีคุณบุกเข้าไปฉันจะบุกออกมานะแต่เราไม่ต้องไปพูดศาสนาอะไรมากมายมันจะสงครางศาสนากําลังเกิดขึ้นนะเรามากายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุข อย่าไปพูดศาสนาคนวลาณก็เตือนนะเวลาเมาเหล้านั้นเมากันอย่าคุยสงเรื่องหนึ่งเรื่องศาสนาสองเรื่องการเมืองมันคุยไปรู้เรื่องเพราะมันเป็นความเชื่อมันมันไม่ใช่เหตุผลนะคุยกันยังไงก็ไม่รู้เรื่องก็ฉันเชื่อพูดมากพูดภาษาอ่างเรื่องกู <c oughs> นะตอนนี้เราออกมาแบบมาแบ่งปันนะมาแบ่งปันความสุข ทำให้สุขภาพเราแข็งแรงนะถ้าร่างกายเรากายฟิตจิตมันเฟิรม์มอารมณ์มันดีนั่นแหละคือสุขไม่ต้องได้อะไรเลยก็สุขแต่ทุนนิยมเ็าบอกว่าต้องได้ก่อนคำว่าสำเร็จของเขาก็คือว่าต้องมีเงินเยอะๆถึงจะมัน่นคงเพราะกูเถียงเลยนะรวยแปลว่ามีเงินเยอะไม่ได้แปลว่ามัน่นคงจนแปลว่าไม่มีหรือมีน้อยไม่ได้แปลว่าทุกข์ สี่สิบปีวิ่งไปอยากรวยก็รวยพอสมควรอยู่แต่ไม่รู้สึกมั่นคงเลยมองขึ้นไปมันมีมากกว่าเราเห็นไไปไหนก็ไม่กล้าไปคนเดียวนะเดี๋ยวถูกจับเรียกค่าทายไม่มั่นคงยี่สิบแปดปีมาอยู่ในป่านั้นมั่นคงทุกๆุกวินาทีไม่มีความรู้สึกกังวลอะไรเลยเห็นไหมศูนเราไม่มีรั้วรอบรอบชิดนะไม่มีของหายไม้แต่หนึ่งชิ้น แต่มันอาจจะหายทุกวันก็ได้แต่ไม่ใช่ของพ่อครูเห็นไหมมันคงมากเลยเห็นมไม่ต้องไปนั่งเฝ้ามันไงเห็นเราเข้าใจผิดว่าต้องมีเยอะๆก่อนค่อยมั่นคงมันหลอกเรามันเป็นอุปทานเดี๋ยวยกตัวอย่างหน่อยคุณบิวเกตนะไม่ได้พูดว่าอะนะคำว่าบิวเกตปึ๊บเป็นคนรวยอันดับหนึ่งของโลกพูดถึงองคุริมานปึ๊บเป็นคนที่ฆ่าคนเอายิ้วมาแฝงคอ อันนี้เขาเรียกว่าบุคลาีิฐานไม่มีเจตนาลายนะยกตัวอย่างว่าคนที่เขารวยที่สุดนกเขามั่นคงหรื อ, อยังลองคิดดูนะตามพ่กคูไปถามว่ามิสเตอร์บิลเกตเนี่ยกล้าเข้าไปในป่านั้นไปเที่ยวศูนย์ปรลราน่อยคนเดียวไหมกล้าไหมทำไมกลัวเดียวค น, น, นเออมันกลัวเนาะเขาไม่มั่นคงนะความกลัวทำให้เสือ่อมนะ ก็ครูหลายปีก่อนเนี่ยเคยพาน้องขีลูกสาวเนี่ย น, นะคิดว่าเขาอยู่นั้นเขาไม่เคยไปไหนเลยน ะ, อะพอพรูยี่สิบปีถึงเวลาแล้วแก้วทิพจับทิปไปอินเดียหน่อยหนึ่งอยาให้แกไปด้วยไงแกเกิดที่อเมริกาแกถือพาสปอร์ตอเมริกันใช่ไหมยี่สิบกว่าปีไม่รู้ไว้ไหนเนะพราะครูไม่เคยสนใจนะก็เราไปค้นคนขึ้นมาเขาต้องมาต่อพาสปอร์ตที่สถานทูดอเมริกันก็ครูก็พามา พวกกูก็แต่งชุดพ่อกูอย่างนี้แหลธรรมดาเนาะแต่สำหรับเขาไม่ใช่ธรรมดาเขาไม่ให้พกกูเข้าไปพวกกูเป็นพ่อเขาบอกว่าพ่อไม่เข้าไปพีไม่เคยออกมาในเมืองเลยนะก็ต้องไปลุยคนเดียวอนะภาษาอังกฤษก็ปูปูปปา <c oughs> พวกกูก็ยืนอยู่หน้าสถานทูตมองซ้ายมองขวาไม่มีที่นั่งจะข้ามไปฝั่งโน้นกําลังรอรถอยู่ เดี๋ยวไอ้หัวหน้าอากาศมันเดินมาพคุณมาอยู่อยู่นี่ทําไมเขาอาจจะคิดว่าแต่งตัวอย่างนี้เหมือนโจนใต้มั้งกลัวระเบิดมั้งพวกคุณทำไมเหรอบอกพวกผมหน่อยหนึ่งที่นี่ผมผมลงทางไหมใช่ไหมไม่ใช่ประเทศไทยใช่ไหมมันงงใหญ่เลยอะไรกันนักหนามันปล่อยให้คนไทยยืนเลียงแถวอยู่ฟุตบาทนะะพวกูว่าอู้ประเทศใหญ่ขนาดนี้นะ ทำไมกระจอกจังเลยที่นั่งให้คนไครก็ไม่มีมันหน้าชาเลยนะไม่นานนะมันตกแต่งใหม่วมาเลยนะดูเลยเขาไม่มั่นคงเห็นไหมประเทศใหญ่ที่สุดในโลกนะเพราะมันทเาเคอร์ไวเยอะเนะ่ะกลัวมากเลยนะความมั่นคงไม่ได้แปลว่ามีเยอะยิ่งเยอะยิ่งไม่มั่นคงรู้สึกกลัวเลยล่ะเห็นไหมคุณบิลเกตถึงไม่กล้าไปเที่ยวศูนย์คนเดียวใช่ไหมกลัวตายใช่ไหม น่นะทุกอย่างเป็นอุปทานหมดฝึกเยอะๆเดี๋ยวเราจะเจอทางรอดเจอความสุขที่แทจ้จริงไปนอนป่าช้าที่ไหนก็ไม่กลัว น, นะสมัยก่อนเขคือเป็นอดีตนักการเมืองนะแนะขวนพระนี่เต็มคอเลยนะแทงแ่ไหนก็ไปเช่านะแล้วทำตัวเป็นกามนักเรียนเรียกพีนะ่แต่ลึกๆมันกลัวตายใช่ไหมถึงแขวนพระฮะวันไหนถ้าออกจากบ้านเนี่ยลืมาไปนี่ ขาสั่นเลยนะเห็นไหมห่ะมันไม่ได้เก่งจริงแล้วไม่ได้เข้มแข็งเลยนะะพอวันนั้นมันระเบิดตูมเลยเนี่ยอัญเชิญพระไปอยู่บนหิ้งเลยนะพระอยู่ในภูเขาจิตจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่ต้องพึ่งอะไรเลยไปนอนป่าชาที่ไหนก็ได้ผีมันกลัวพราะกลัมากนะเ <c oughs> นี่ยพระอยู่ในนี้อย่าไปพึ่งพระข้างนอกมันเป็นแค่วัตถุเป็นแค่อุปทาน ถ้าเราพึ่งมันเราอุ่นใจเออมันมีของดีของดีถ้าวันไหนของดีเราเลี้วมาไปเนี่ยเราจะพึ่งใครทุกปฏิบัติทุกคนมีพระอยู่ในจิตเราแล้วพุทธจิตอยู่ในแล้วนะถ้าอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังถอยเข้าไปหาพระพุทธที่อยู่ในจิตเราแล้วทุกคนจะข้ามพ้นความทุกข์ ทุกคนจะรู้สึกมั่นคงนอนที่ไหนอยู่ที่ไหนมั่นคงหมด น, นะไม่ต้องกังวลว่าจะมีของหายพอพูดถึงของหายปุ๊บมันก็แว บ, บขึ้นมาอีกช h o t นึงสองปีก่อนในศูนย์นี่มีของหายไม่ใช่ของพ่อคู่ของญาติธรรมพ่อคูก็พูดบันอาทิตย์เลยเด็กๆอย่าพูดอย่าพูดอ่ะพูดมันของธรรมจริงอย่าไปกลัวเลยของหายเป็นเรื่องธรรมด า, าไม่ใช่ว่าอุ้ยมันจะอายเขาของหายอายทําไม มันมันเรื่องจริงนะพราะกูก็ประเทศญาติธรรมว่าต้นเหตุของของหายเป็นเพราะขโมยเป็นเพราะอะไรไม่ใช่เป็นเพราะเรามีของให้มันขโมยถ้าเราไม่มีของมันจะไปขโมยลงเหรอพ่อ ก, กูไม่เคยมีของหายเลยไงเห็นไหมใครทําให้มือถือพ่อครัวหายได้เนี่ยให้รางวัลสิบล้านเพราะมันไม่เคยมีเลยยี่สิบแปดปีมันจะไปหายได้ยังไงเห็นไหมเราทุกข์เพราะเรามีนะ ไม่ใช่เราไม่มีนะเริ่มจากเรามีกรรมเราถึงมาเกิดพอเกิดปุ๊บเนี่ธรรมชาติก็ให้เราแบกขันห้ามาด้วยอยายจนะทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเครื่องมือดำรงชีวิตแต่เราทําไปทํามาแทนที่จะใช้มันมาป้องกันภัยเราใช้มันมาเสพอันนี้ก็อร่อยอร่อยลิ้นใช่ไหมอันนี้ก็สวยสวยอันนี้ก็หอมหอมอันนี้ก็เพราะเพราะ ไอ้ น, นี่ก็นิ่มๆทีนี้เป็นเรื่องแล้วพอเจอไอ้ที่ไม่สวยก็ทุกๆใช่ไหมเจอเขาด่ามาไม่เพะก็ทุกๆอีกทั้งหมดก็คือเราไม่เข้าใจธรรมาชาติว่าเรามีตามาทำไมมีหูมาทำไมมีจมูกมาทำไมมีลิ้น ม, มาทำไมร่างกายให้มันรู้ร้อนรู้หนาวรู้ฝันสันะถ้าวันไหนกินข้าวขึ้นไปเนี่ยตักคำแรกปุ๊บ รู้สึกอร่อยต้องวางช้อนทันทีอย่าไปกินนะเป็นพิษห้ามกินฮะกินเพิ่ครั้แรกไม่อร่อยก็อย่ากินอีกเดี๋ยวมันจะทุกข์แล้เอามากินเพราะกินใช่ไหมไม่ได้มันกินอาหารกินเพื่ออยู่ไม่ได่อยู่เพื่อกินไปรีมรสอร่อยอร่อยก็อยากกินอีกเหรอบางทีเดือดเดือดเเนี่ยไม่กินก็น่อยไม่หลับพาฉันไปหน่อย นั่งรถไปอีกสองชมมั่วโมงไปกินแล้วมันอร่อยแล้วก็มานอน <c oughs> กลายเป็นภาระเราแล้วทั้งหมดคือเราไม่รู้เท่าทันอายตนาเนี่ยที่เรามาปฏิบัติเนี่ยสัจธรรว่าเห็นจบสัตธรรว่าได้ยินสักธรรมทำไปนานๆเรานจะเกิด น, นิสัยใหม่เห็นไหมสัจธแต่ ว, ว่ากินไม่พิจารณาถ้าพิจารณาปุ๊บมันจะมีอร่อยกับไม่อร่อยเพออร่อยปุ๊บมัรู้สึกสุขพอไม่อร่อยมุ๊บก็ทุกข์อีก มนุษย์เรานี่อยู่ดีดีไม่ชอบชอบหาเรื่องให้ตัวเองทุกข์ไม่รู้เรายิงย่งเรียนยิ่งฉลาดขึ้นหรือเปล่าเห็นไหมเพราะครูเนี่ยคนหนึ่งนี่โง่มาสี่สิบปีจริงจริงแล้วไม่สี่สิบปีหรอกโง่มาหลายชาติแล้วตอนนี้มันหายโง่ละมันถึงเลือกไปอยู่ในปา่าไงจะเป็นนักสู้นะก่อนนั้นนะ่ะเหมือนนักงวยนะ่ะขอให้ขึ้นเวทีเถอะเห็นไหมขอให้ได้ชกเจ็บชักบมัน เหนไหมเขายกมือชนะเกือบตายเหมือนกันแพ้ก็เจ็บชนะก็เจ็บพอมันชาะแล้วมัที่ไปเจ็บทําไมล่ะวิธีมวิธีทีทท่ไม่เจ็บมีอย่างเดียวทั้งคืนเลิกชคไลยถ้าจะอยู่กับเขาเขายังดึงไปดึงมากองเคลียร์ยังไงไปอยู่ในป่าเลยเห็นไหมไปอยู่ในป่าดียังไงรู้ไหมแค่จะเข้าไปหาปะคูก็ไม่กล้าไปย็งไงเพราะมันกลัวเห็นไหมแล้วก็เลยปลอดภัยไง จำไม่ว่าสุขก็อุปทานทุกข์ก็อุปทานดีก็อุปทานชั่วก็อุปทานไม่ใช่ของจริงหมดถูกผิดดีชั่วเป็นภาษามนุษย์ธรรมชาติจริงๆมันไม่มีภาษาภาษาไทยภาษาลาวภาษาเขมรภาษาเวียดนามภาษาอังกฤษภาษาจีนมนุษย์สร้างขึ้นมาหมดมันไม่มีอยู่จริงตามธรรมชาติบางอย่างเมืองไทยตัดสินบอกว่าถูกฝรั่งบอกผิดเห็นไหม พ่อูอยู่อเมริกานะลูกสาวใครอายุสิบแปดปีไม่มีเดทไม่มีนัดเพื่อนชายนี่ยพ่อแม่เขาจะพาไปหาหมอโรคจิตจริงนะบ้านเราชวนไปนัดผู้ชายไปื่อยพ่อแม่ก็จะไปหาโรคจิตเหมือนกันคุณทำไมไปบ่อยจังมันเป็นแค่สมมุติบัญญัติที่แตกต่างกันนะหรือใครไม่เชื่อแล้วจะลองไหมตอนนี้เป็นหน้าทุเรียนหรือเปล่าไม่ใช่ เป็นหน้าทุเรียนนะเปิดมาทุเรียนเอาที่มันสุกมีกลิ่นเยอะๆมาวางตรงนี้นะ่ะบางคนวิ่งใส่บางคนวิ่งหนีอะไรนะคําว่าอร่อยก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมถ้ามันอร่อยทุกคนต้องอร่อยเหมือนกันหมดสิทําไมคนนี้อร่อยคนนี้ไม่อร่อยมันเป็นสมมุติมันเป็นอุปทานถ้าใครมีลูกนะพอคลอดมาเริ่มรู้ตัวเนี่ยตีมันตีมันเออไอ้นี่ลูกเขาเรียกว่าลัก ถ้าใครถูกทําอย่างนี้เนี่ยเขารักเราต่อไปมันถูกเขาตีปุ๊บมันดีใจนะเว่าเขารักเรานะเราบันทึกสัญญาว่าอย่างไงก็เป็นอย่างนั้นแต่ยุกนี้เราเกิดมาทุนนิจว์ก็ใส่ใส่ส่ใ ส, ส, ส่ถ้ามีวัตถุเยอะๆถ้ามีทุนเยอะๆจะมั่นคงเนี่ยเพราะกูถูกหลอกไปสี่สิบปีไม่เคยเจอความมั่นคงเลยไม่เคยเจอความสุขเลยถูกหลอกเลและคนที่หลอกเรามันใช้ตั้งใจหลอกนะ มันก็ถูกความเข้าใจผิดของมันก็หลอกเหมือนกันหลอกรุ่นต่อรุ่นเนี่ยสร้างตึกขึ้นมาสิบชั้นเหนื่อยมากลงไปนอนดีกว่าพักเฮ้ยข้างๆมันมีร้อยชั้นนอนไม่ได้เดี๋ยวสู้มันไม่ได้เดี๋ยวมันจะดูถูกเราบางทีเขาไม่ได้คิดเรื่องเราเลยนะเราคิดเอาเองนะสร้า ง, ส ร, า ง, ส, รางสร้างขึ้นมาเก้าสบเก้าชั้นกำลังจะขาดใจตายมันเดี่ยงมันหมดแรงจริงๆตายยังไม่ได้อีกแค่ชั้นเดียว สรางปณิธานมาตลอดชีวิตแล้วเนี่ยตายไม่ลงตัวเองทุกไม่พอนะยังเรียกลูกเรียกหลานมาสร้างต่อกวนมันไม่ทุกเหมือนเราบางทีสร้างไปทําไมก็ไม่รู้มันเป็นอุปทานไงต้องสร้างเป็นความภาคภูมิใจนั่นแหละไอ้ตัวภาคภูมิใจเนี่ยไอ้ตัวลายใจเนี่ยมันหลอกเรามาตลอดชีวิต ที่เรามาเวียงนี่เชื่อจิตอย่าเชื่อใจคือชีวิตท่านของจิตจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเขาต้องการเดินทางต่อแต่อาใจนี่มันถูกใส่โปรแกรมแล้วมันมีอวิชาคือความรู้ผิดแล้วมันหลอกเรามาตลอดชีวิตพอถูกด่าปุ๊บมันบอกเจ็บใจฉันเจ็บใจไอ้จิตถ้าไม่สั่งปากด่าต่อไปกเนี้ยฉันจะนอนไม่หลับไอ้จิตมันกลัวมันเจ็บใจใช่ไหมมันกลัวมากมันก็สั่งปากด่าไปคืนเลย ด่าไปคืนปุ๊บมันออกลูกมันออกลูกอีกเห็นไหมพอมันด่ามาคืนแรงๆหน่อยมันบอกว่าไอ้จิตมึงสั่งมึงด่าไปคืนนี่ลูกมันไม่พอกินมึงตบเลยสามมือตกไปเลยเห็นไหมตบปุ๊บมันสะใจลูกมันออกหลานจี่เรียมันออกหลานนี่พอเขาตกมาคืนมันบอกว่าตกเฉยเฉยไม่พอหลานไม่พอกินมึงยิงมันเลย ใจมันหลอกเรามาตลอดชีวิตหลอกให้เราสร้างกรรมอย่าเชื่อใจให้เชื่อจิตคือชีวิตเราได้กับจิตจิตเป็นนายจิตเขาต้องอาศัยร่างกายนี้เนี่ยเดินทางไกลของเขาเขาต้องรักษาร่างกายนี้ให้แข็งแรงเทวดาทำไม่ได้นะเทวดาไม่มีกายเทวดาทุกข์มากที่ต้องเสพสุบบางคนงงนะทุกข์มากต้องเสพสุบนะ ถ้านี่ชอบผลไม้อะไรที่ชอบที่สุดท่านเลือกได้ชอบกินอะไรเอาอย่างเดียวที่มันเด่นเด่นเลยฝรั่ ง, งไม่ชอบคนไทยเหร <c oughs> อลูกฝรั่งเนาะอชอบลูกฝรั่งเนาะ <c oughs> ถ้าถ้ากินของของที่เราชอบกันรู้สึกพอใจไหม <c oughs> พอใจเนาะเพราะเราชอบใช่ไหม <c oughs> ถ้าพอใจรู้สึกสุขนะเพออยูยู กินกำลังสุขอยู่มีคนเขาแย่งต่อหน้าไปเลยรู้สึกยังไงฉุนใช่ไหมคมเป็นอย่างนั้นนิดหน่อยหน่อบางคนไม่ยนิดหน่อยนะกูจะฆ่ามึงเลยนะเราไม่ขนาดนั้นเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นไม่มีคนแย่งดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวพอกูจะสั่งให้เอาฝรั่งนี่ให้เรากินตลอดปีเลย <c oughs> คุณป้าไม่ต้องกินอย่างอื่นกินฝรั่งอย่างเดียวมีความสุขไหมทําไมไม่ได้ไไดตํารวจจับไหม มันเบื่อใช่ไหมนั่นแหละเทวดาทุกข์มากที่ต้องเสพสุเพราะคูเป็นเทวดาอยู่แล้วที่อเมริกามันทุกข์มากมันเบื่อ ม, มากๆจาเจซ้ำซากตื่นเช้ามาก็หาเงินหาเงินเหนื่อยมาพุกบินไปลสัสเซียไปเล่นการบานานันทันไปกินเหล้าไปเต้นลําไปยิงนกตกปลาไปตีกรอบมันลืมกลับมาปุ๊บมันออ ก, ก, ก, ก, ก, ก็เบื่ออีกพรากูทุกข์พราะูเบื่อเราเป็นนักแก้ปัญหานะ คนอื่นมีปัญหาเดี๋ยววิกลัวมากเพราะคูวิ่งใส่เลยสนุกการแก้ปัญหาเพราะกูสุกการทํางานคือการแก้ปัญหาถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่มีงานทำเพราะคูไม่มีความทุกข์กับการทํางานสนุกสักใจแต่พราูเบื่อพราะคูแก้มันไม่ได้พราะครูไม่รู้ต้นเหตุว่ามันเบื่อทําไมอันนี้พระคูทุกข์มากเราแฟบหมดเลยเราไม่เป็นคนเก่งอีกต่อไป มันเห็นทุกอยู่เจ็ดปีสุดท้ายนะมันทุกเพราะมันไม่รู้ว่าเบื่อเพราะอะไรพราะคิดปึ๊บภาษามันบอกเราอย่างไรโม่จังเลยก็ไปเที่ยวสิไปมาหมดแล้วยังไม่ไปก็รู้ว่าจะไปทําอะไรมาหมดแล้วมันเจอทางตันนั่นแหละไม่ที่เรานั่งๆไปปวดโน่นปวดนี่อย่าถอยนะนะต้องขันตี อย่าขันแตกก่อนนะเห็นถ้าไม่ศรัทธาทั้งนั้นอุ้ยไม่วมานั่งอยู่ดีๆมาทําให้มันเมื่อยทาไมเราหนีนี่หรอเห็นไ้มเห็นทุกเยอะๆเราจะเห็นธรรมเพราะกูเห็นทุกเจ็ปีสุดท้ายน่ยมันทุกแบบสุดๆเลยแล้วมันทุกมันเอาอะไรล่ะมันเอาไม้ซึ่งฟันมาหลอกให้พรอกูทุกแค่ว่าเบื่อเฉยๆนะพ่ะกูทุกงานบักใหญ่ปัญหาเยอะๆนี่พ่ะกูสุกกับมันนะแต่ไอปัญหาว่า นิดเดียวเองยังกับไม้จิ้มฟันทำให้พกูนี่แฟบเลยเห็นไหมตู้นี้เนี่ยเอามาแทงประคูมันมันเข้าไปไม่เข้ามันทื่อน้อมันใหญ่กว่าช่างแต่ไม้จิ้มฟันเนี่ยนะมันแหลมนะมันแทงเข้านะพคูทุกข์กับความเบื่อคิดทีไรมันก็ใช้ภาษาบอกว่าไปเที่ยวสิมันคิดตามภาษาไลยนี่ความรู้เราแค่นั้นไงอ่นแหละ มันอีกตัวเหลือเกินจากเที่ยงคื น, นตีสามก่อนั่งมันเกิดปึ้นปึ้งปึงป้งปึงป้งปึ้งระเบิดตุ้มเลยครั้งแรกที่นั่งชีวิตนั่งนั่งสมาธิแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายถอยมาถอยมาอย่างทันทีเลยไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นก็คือชีวิตมันร้อนไงชีวิตตอนนั้นมันร้อนเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่าคล้ายๆว่าเรานอนอยู่ในบ้านตีสอง ไฟไหม้บ้านเนี่ยหนีไหมหนีแหมคุป้าห น, นีไหมไม่เสียดายข้าของเลยเหมือนว่าเราเห็นว่าชีวิตนั้นมันร้อนไงออกไปก่อนออกไปเร็วที่สุดไปไหนมันก็มีประสบการณ์ว่าตอนที่เราอยู่อเมริกาเนี่ยพวกกูไม่เคยชอบเลยนะไม่ใช่มันเขาไม่ดีนะพวกกูไม่เคยชอบชีวิตแบบมันเป็นหุ่นยนต์อะไรอะไร เรื่องน้ําใจไม่ต้องพูดถึงไม่มีนะ yes or no แค่นั้นเองเอาไม่เอามันทุนยนหมดนะแต่ที่นี้จําเป็นต้องอยู่เพื่อสนองคุณแม่เนี่ยคือการ์ตั น, ตนยูรู้คุณมีมีประโยชน์นะเพราะกูไม่เคยชอบเลยเราเป็นผู้นําในเมืองไทยไปชน่นเป็นผู้ตามนะภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งถนวนทางก็ไม่รู้มันบอกแข่งขันเสียดีจะไปแข่งได้ยังไงนะภาษาแล้วภูมิป่ปปาถนนก็ไม่รู้เพราะอาจารยก็ไม่รู้จะไปแข่งยังไง ความคิดแบบไร้สาระแต่ก็ต้องจำอยู่นะอยู่เพื่อสนองคุณแม่มาถึงเจอวันนี้ไงเห็นทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุ ก, ทกแบบไม่ใช่เจ็ดวันนะไม่ใช่เจ็ดอาทิตย์นะไม่ใช่เจ็ดเดือนเนจะ็ดปีนะพอถึงเวลามันหหมปุ๊บระเบิดตูมเลยไม่ลังเลสงสัยเลยเจอแล้วเหมือนไฟไหม้บ้านปุ๊บรีบถอยออกมา แล้วก็เลือกบ้านเกิดเมืองนอนจะไม่ต้องนั่งนับหนึ่งใหม่ตอนนี้เรามีส่วนเกินมหาศาลถ้าไปอยู่ประเทศอื่นังต้องปรับตัวอยู่นั่นต้องไปเรียนรู้ภาษาเขาเนี่ยโอ้ไปเรียนเรื่องไร้สาระครอบครัวพวกก่อครูนี่เป็นครอบครัวอินเตอร์เนชั่นแนลแม่มีลูกห้าคนเราเป็นคนโตลูกชายสาคนลูกสาวสองคนเนาะภรรยาพ่อคูคนไทย ภรรยาน้องชายคนหนึ่งคนเกาหลีภรรยาน้องชายคนหนึ่งคนฟิลิปปินส์นะลูกเขยคนหนึ่งคนสวิตเซอร์แลนด์แม่งงไปหมดเลยเนี่ยสากลไงเออไอนี้จะกินข้าวไอนี้จะกินขนมปังไอนี้จะกินไส้กรอกต้องมาปรับตัวกันใหม่บอกว่าความสุข เห็นไหมเราไม่พอใจสิ่งที่เราเป็นเนะ่ยมันก็มีเรื่องวุ่นวายที่เราไปเรียนดูไ ม, ม่เกี่ยวกับให้ชีวิตดีขึ้นเลยนะเนี่ยเราไปเหอสากรนะจริงๆแล้วลาวก็สากรเข ม, มิงก็สากรไม่ใช่สากลต้องเป็นฝลั่เห็นไหมเราไปเหอตามเขาพระกรูจึงบอกว่ากลับมาเป็นไทยคําว่าไทยนี่คืออิสระเสรีเห็นไหมอย่าไปสอนลูกหล า, านให้มเป็นทา่าอย่าไปสอนลูกหลานให้มันใช้รุ่นใหม่ ไปขี้เหื่อถ้ามีรุ่นใหม่อันนี้ไล่สาละมากสอนลูกหลานใ ห, ใ ห, ให้มันสร้างรุ่นใหม่ไม่ใช่ไปใช้รุ่นใหม่นะแต่ว่าเขาบล็อกอการศึกษาเราเนี่ไม่ให้ไม่ให้เรียนนอกดอกเธอต้องเป็นแค่หุ่นยนต์เอามาให้ใชันชายเธอเป็นน็อตตัวหนึง่งเอามาหมุนอยู่ในรถคันหนึ่งเมื่อเต้นเต้นเตเตน็อตมันหวานแล้วเกี่ยวหวานโยนพิ้วเอาตัวใหม่มาใส่ มนุษย์เราเป็นแค่ทรัพยากรในสายตาทุนนิยมมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐไม่ใช่แค่ทรัพยากรถ้ามนุษย์เราเป็นแค่ทรัพยากรก็ไม่ต่างอะไรกับปุ๋ยหมากปุ๋ยหมักก็ทรัพยากรนะขี้วัวขี้ไก่ก็เป็นทรัพยากรนะเป็นปุ๋ยได้นะเราถูกจัดวางเป็นแค่เครื่องจักหนึ่งเครื่องกลหนึ่งเพื่อไปสร้างทุนให้เขาเนาะ ฟังในหลวงเยอะๆฟังในหลวงเยอะๆแล้วก็เน้นฟังในหลวงเยอะๆยิ่งพระองค์จากไปแล้วเนี่ยยิ่งต้องมาตื่นขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดเส้นทางเดียวของมนุษยชาติพระองค์ชี้ขุดทรัพย์ให้เรานะใครเคยเห็นแบงค์พันรุ่นเก่าไหย ใครมีกระเป๋าบ้างในตอนนี้แพงแบงค์พันรุ่นเก่ามีไหมคุณตู่มีหมเออหยุดอยู่ข้างล่างนือควนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตัวเล็กๆหน่งอ่านดูเขาเขียนว่ายังไงขวามือข้างล่างอ่านดูสิเห็นไหมเห็นไหมคุ้มซับอยู่ในนั้นนะ ในแบงค์พันธุ์พิพิแบงค์งใหญ่ที่สุดของเราเนี่ยท่านซ่อนขุมทรัพย์อยู่ในนั้นเอาใหม่เอาใหม่ เ, หเศรษฐกิจพแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตนเองพระราชดํารัตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเห็นไหมเขาซ่อนขุมทรัพย์ไปในนั้นแต่เราไม่เคยเห็นเลย เงินเดือนข อ, อวนงวันเงินเดือนออกมาวันนี้ปุ๊บเรากลัวมันจะอยู่กับเราข้างข้ามคืนนะเวียงทิ้งเลยเวียนทิน้ง เ, เลยแล้วมันจะพอเพียงเหรอเราไม่เคยรักเงินเลยเราเกลียบมันมากมาเห็นไหมเงินเดือนหมื่นหนึ่งแต่ต้องจ่ายออกไปหมื่นสองเห็นไหม 11, หมื่นหนึ่งหักหมื่นสองเหลือเท่าไหร่คุณป้าเหลือเท่าไหร่ไม่เหลือใช่ไหม ลบสองพันใช่ไหมทีนี้เราไปคุ้นเคยว่าฉันมีรายได้หมื่นหนึ่งเธอไม่ใช่รายได้เธอมีรายรับเข้ามาหมื่นหนึ่งรายรับต้องหักรายจ่ายก่อนที่เหลือถึงเป็นรายได้เธอไม่มีรายได้เหลือเลยคุณเอาเงินนานาคตมาใช้มันจะมั่นคงไหมแต่คนนึงมีเงินเดือนห้าพันมาจ่ายแค่สามพันหักลบปุ๊บเหลือรายได้สองพันคนนี้มีรายได้มากกว่าคนมีเงินเดือนหมื่นหนึ่งถ้าเราเข้าใจปัชญาของนายหลวงเนี่ยไม่ต้องไปหารายได้เพิ่มนะ แค่ลดลายใจยนะที่พ่อครูเมื่อวานก็เกิดน่ยมีขวดน้ําขวดหนึ่งนะเด็กๆทำลูกดอกให้พ่อครูสี่ลูกสี่ดอกเนะ่เหมือนไอ้ลูกดอกเข็มแหลมๆเนะี่ยไอันนี้เกี่ยวกับการพนันเสียบก็ไปปั้งมันก็รั่วไอันนี้เล่าเสียบไปปึ้งมันก็รั่วใช่ไหมไอ้ น, นี่ยาเสพติดเสียบไปปึ้งมันก็รั่วไอนน้นี่ดี้สินเสียบก็รั่วใช่ไ มันรั่วรั่วทีนี้ไปหาเงินหาเงินหาเงินเอาขวดใหม่มาเทใส่เทใส่ถามว่าชาตินี้มันเต็มไหมวิธีเพิ่มรายได้ทำได้ทุกคนเดี๋ยวนี้เลยก็คือลดลายใจอุดรูรั่วเห็นไหมอุดรูรั่วซะเราจะเป็นเศรษฐีทันทีเลยเศรษฐีไม่ต้องมีเงินเยอะๆนะบางทีมีเงินพันล้านไปสร้างบริษัทเข้าตลาดหุ้น ไปเอาเงินคนอื่นมาอีกหมื่นล้านโดยไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยเนาะแล้วก็มาค้าขายเนี่ยเราจนไปแล้วเก้าพันล้านเป็นหนี้เขาไม่ใช่มีเงินพันล้านก็เป็นเป็นเศรษฐีนะคุณยังไม่มีส่วนเกินเลยคุณยังเป็นหนี้แต่ถ้าเรามีพันล้านปึ๊บเรามาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเราพอใจเพียงแค่มีนะแล้วก็เราพอแล้วไอ้ที่เหลือเป็นส่วนเกินเอาส่วนเกินนั้นมาทําบุญ มาสร้างอริยทรัพย์บางเอิญว่ามันตายก่อนเข้าถึงนิพพานเนี่ยมันยังมีเอาไปใช้ในอนาคตแตชาตินี่แหละเศรษฐีถ้าทุกคนจัดแจงชีวิตให้ลงตัวปุ๊บเนี่ยเราเป็นเศรษฐีทันทีเลยจะมีส่วนเกินทุกวันนะพราะครูเคยถามว่าลุงลุงดีมีหนี้ดนะันมีหนี้ห้าหมื่นอเป็นหนี้แล้วจนละห้าหมื่นคนนี้มีหนี้ไม่ไม่นีไม่มีหนี้ในะกระเป๋ามีเท่าไหร่มียี่สบาทรวยแล้วยี่ิบบาท เข้าใจไหมเราไม่เดือดร้อนใช่ไหมไม่ต้องเอาเงินไปทําบุญนะยี่สิบาทเก็บไปกินมือละแค่มากวาดลานวัดนะมาช่วยเด็กยากจนอะไรนี่เข้าใจไหมแล้วก็มีส่วนเกินมีเวลาส่วนเกินมีทักษะส่วนเกินมาทําบุญกับตัวเองนี่เราเป็นเศรษฐีแล้วนะถ้าใครรู้จักชีวิตรู้จกักสนิพอเพียงเนี่ยเราจะเป็นเศรษฐีได้ทุกคนไม่ใช่ไปรอให้มีเงินเยอะๆ คนเขามีเยอะๆแต่เขาไม่พอเขายังเป็นเศรษฐีไม่ได้เขาเป็นแค่คนมีเงินเยอะเท่านั้นเองนะเขาแบ่งปันไม่ได้ไเศรษฐีต้องมีเศษส่วนเกินเพื่อจะให้แล้วก็มีโอกาสได้ให้ทานนะนี่คือทานผู้เจ้าสอนสาอย่างทานศีลภาวนาให้ทานนี่เราสาเร็จแล้วศีล น, นะอันนี้เป็นก่อป้องกันไม่ให้เราทำชั่วไม่ไปสร้างกรรมใหม่นะ ทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลแล้วก็ภาวนาคืออะไรที่เราทําอยูนะ่ปฏิบัติจิตทำสามอย่างนี้ทําแล้วมันไม่ใช่ไ่ข้างหน้านะทําำทำ ท, ำ ท, ำ ท, ำทำจัดดนเข้าไปข้างในมันจะเข้าส่งให้เราไปเจอไปที่ภูเขาจิตไปที่พุทธจิตนั่นหละคือคําตอบสุดท้ายเรานะทุกคนทําได้นะก็วันนี้ก็ต้อง ขอแสดงความชื่นชมดีๆนะแล้วก็อโมนอนุโมทนาบุญกับทุกคนที่มีจิตใจที่เป็นกุศลมีศรัทธามาร่วมกันช่วยจันลงคําสอนดีๆทั้งคําสอนพุทธเจ้าคําสอนของในหลวงรัชกาลที่9้าเรานะแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนให้ลูกหลานเราเนี่ยมีที่ยึดเหนี่ยวนะทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจก็ยึดเหนี่ยวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะก็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 ก็เข้าห้องน้ำแล้วก็เตรียมมาซิ่งครั้งสุดท้ายกลับบ้านนานาจิตตังนะเอาเวอร์ชันโดเรมอนอีกไหม